เหตุทุกข์ะหกสิบเกสภาวธรรมที่ไม่เจตกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาิัยสภาวธรรมเจตกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เชตกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี13วาระปรมณปัจจัยมีห้าวาระอาทิตติปัจจัยมี8วาระละถึงอาเจวนะนปัจจัยมี6วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี10บวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบาวาระเจสภาวะธรรมที่ไม่เก ร, ริญอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ความอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอสิวะณปัจจัยมีหกวาระละถึง วิปากับปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระห้าสังกฤฤฤฤฤฤิเลทะดิกะหนึ่งเหตุทุกขะเจ็สเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลทํทาให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กิเลทํทาให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสิบามวาระ ารมณะปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีแดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระ ละถึงวิปากปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระหกวิตกติกะหนึ่งเหตุตุทุ ก, กะเจ็ดสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุจจหตัปัจจัยย่อเหตุตัวปัจใจมีสิบห้าวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีสิบห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจยอ่อเหตุปัจใจมียี่สิแปดวาระอารมณปัจใจมียี่สิแปดวาระอธิปฏิปัจใจมีสิบเก้าวาระละถึงภเรชาตะปัจัยมีสิบเก้าวาระ อาเศวณะปัจจัยมีสิบเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบดวาระเจ็ดปีติติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจ็ดสิบสาสภาวธรรมที่ไม่สัหร้องด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหร้องด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมียี่สิบดวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สปดวาระ สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิปดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิปดวาระ8ทัศนะติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจ็สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่เป็นเหตุ เิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีสามวาระละถึงภวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าทัชชนะเหตุติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจสห้าสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสิหกวาระอรมณะปัจจัยมีสิบสองวาระอธิปติปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงวิปาะะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบกวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระสิอายจยคามิติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจ็สิหสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัจยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปลาสกปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบเอ็ดเศษขัดถกะหนึ่งเหตุทุกะเจ็สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอาศัยขบุคคลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสศขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึง อาสวณะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบสองปริตตติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจ็สิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคัตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุหเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อัญญามัญญะปัจจัยมีสิบอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมีสิบสี่วาระอารมณ์ปัจจัยมีสิบสี่วาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสี่วาระสิบสาม ปริตารรมณะติกะหนึ่งเหตุทุกกะเจ็ดสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตาเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตาเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมียีย่สิเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาร ะ, าร ะ, ร ะ, าระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบสาวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึง อวิคตะปัจจมียี่สิบเอ็ดวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปั จ, จัจมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระสิบสี่หินนาติกะหนึ่งเหตุทุกกะแปดสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำ<ภ>ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีแปดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ <swag. S 1> มไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุ ปกิดขึ้นเพราเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบห้ามิจฉาตานิยตติกะหนึ่งเหตุทุกกะแปสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาิัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุ เกิดข <necessary. S 2> hey, ึ um, inin, ở, ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 16. กมัคคารามณติกะหนึ่งเหตุทุกกะ8ปสบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีส5สิห้าวาระ อารามณปัจจมียี่หวาระและถึงอวิคตะปัจใจมี35มสิ้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมักเป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจมีมี26กวาระและถึงอวิคตะปัจจมีมีสิหวาระสิบเจ็ดปันนติกะหนึ่งเหตุทุกกะ สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุ ป, ปัจจัยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสิบแปดอตีตติกะหนึ่งเหตุทุกกะแปดสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีต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 อาทิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอเนนตระปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสิบเกอตีตารรมณติกะหนึ่งเหตุทุกขะแปสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเดจตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเดจตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอารมณประปัจจัยมี9วาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี17วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เมียนคพธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระยี่สิบอัชชะตตะติกะหนึ่งเหตุทุกกะแปดสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยี่สิบสองสนิทัศนะติกะหนึ่งเหตุทุกกะ8ปดสิบแปด สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้หรือกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวธรรม spot. ที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบ anyway, ไม่ได้ซึ่งไ ม, ม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนะถูกะสองเหตุกะทุกกะเก้าสิบสภาวะธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุเกิดข hey, ึ Robinson, on, people, ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจ th ัยมีหกวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้รละกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิกระปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบสองสนทัศนะถูกะสามเหตุสัมปยุตตทุูกะเก้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แลอกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมปยุติเหตุ อ า, าศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุติได้เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซ no ึ่งไม่สัมพยุติได้เหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุติได้เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่สัมพยุติได้เหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งสัมปะคุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปยุจฉาเหตอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แลอกระทบไม่ได้ซึ่งวิปยุจฉาเหตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัศนะตึกะสี่เหตุเสเหตุตุกะทุกะเก้าสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัศนาติกะห้า เหตุตุเหตุ tu, tu, สัมปยุตตะทุกกะเก้าสิบสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปจัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึงไม่วิปยุจจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัศนะติกะหนัเหตุตุเสเหตุตุกะทุกระเกสี่ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอาิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองช น, นิทัศนตึกกะเจ็ดสัพบปัจญทุกกะเก้าสิบห้า สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอรมณะปัจจัยอรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบสองสิทัสนตุกะเกสนิทัสน ท, ทุกเก้าสิบห สภาวะธรรมที่เ <mini> ห <drained out> ็นได้และกระทบได้ซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยอรมณปัจจัยย่ออรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปปนิเสียปัจจัยมีสามวาระปเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสาวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอาิปติปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระยี่สิบสองสนิททัศนติกะ 10. สิบศัพปะติฆาทุกะเก้าสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ22สินิทัสนะติกะสิอดรูปีทุกะเก้าสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ยี่สิบสองนิทัสนะตึกะสิบสองโลกิยะทุกะเก้าสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปจัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นโล ก, กุตระ อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ22่สิสสิทัศนะถึกะ13เกณจิวินยยะทุกะหนึ่งรสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห world, ็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้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 เหตุปัจจัยมีสิปดวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีสิห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี18ดวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และ ก, กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิปดวาระ อารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสิบห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบแปดวาระยี่สิบสองสนิทัสนติกะสิบสี่อาสวะทุกกะร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปั จ, จัย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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาศวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอาศวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาศวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอาศวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้ และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอา ร, อารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอว right ิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ อาศัยสยภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปิวจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปิวจักอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนะตุกะสิเจอารสวะสาสวะทุกะรอยสี่สภาวะธรรมที่มิจช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและนิจช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ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 อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสะวะและเป็นอารมณ์ของอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ <Boo. S 2> เหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนะตึกะสิบปอาสวะอาสวะสามยุตตทุกะร้อยห้า สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 แต่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยชภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แรักระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุติในอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนะเถกะสิบอาสวะวิปยุตตาสาสวะทุกละร้อยหก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 อวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปิวิจักอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปิวิจักอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปิวิจักอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 เทตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ